สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เสียงจากศรีบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิตรีสร้เยสู215ตอนฟอ l โล w f ฟ l โล w พระชนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่ส5บหเรื่องการเลี้ยงคนห0 0 0ันคนโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าหลังจากนั้นพระเยซูก็เสด็จไปข้ามทะเลสาบกาลิลีคือทะเลที่เบริส คนเป็นอันมากได้ตามพระองค์ไปเพราะเขาเหล่านั้นได้เห็นหมายสําคัญที่พระองค์ได้ทรงกระทําต่อบรรดาคนป่วยพระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขาและประทับกับเหล่าสาวกของพระองค์ขณะนั้นใกล้จะถึงปัสกาซึ่งเป็นเทศกาลของพวกยิวแล้วพระเยซูทรงเงยพระพักทอดพระเนตรเห็นคนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์พระองค์จึงตรัสกับฟิลิปว่าทําอย่างไรเราจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้พระองค์ต ร, ตรัสอย่างนั้นเพื่อลองใจฟิลิป เพระองค์ทรงทรงาบแล้วว่าพรง์จะทรงกระทําประการใดฟิลิปทูลตอบพระองค์ว่าสองร้อยเหรียญเดนาริอันก็ไม่พอซื้ออาหารให้เขากินกันคนละเล็กคนละน้อยสาวกคนหนึ่งของพระองค์คือแอนดรูน้องชายของซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีข น, นมบาลีอากอนกับปลาสองตัวแต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้เพียสุตรัสว่าให้คนทั้งปวงนั่งลงเถิดที่นั่นมีหญ้ามาก คนเหล่านั้นจึงนั่งลงนับแต่ผู้ชายได้ประมาณห้าพันคนแล้วพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปังนั้นเมื่อโมทนาพระคุณแล้วก็ทรงแจกแกบ่บรรดาคนที่นั่งอยู่ที่นั่นและให้ปลาด้วยตามที่เขาปรารถนาเมื่อเขาทั้งหลายกินอิ่มแล้วพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าจงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้อย่าให้มีสิ่งใดตกหล่นเขาจึงเก็บขนมบาลีห้าก้อนซึ่งเหลือ จากที่คนทั้งหลายได้กินแล้วนั้นใส่กระบุงได้สิสองกระบุงเต็มเมื่อคนทั้งหลายได้เห็นหมายสําคัญซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําเขาก็พูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นผู้เผยโภชนะที่ทรงกําหนดให้มาในโลกเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าเขาทั้งหลายจะมาจับพระองค์ไปตั้งให้เป็นกษัตริย์พระองค์ก็เสด็จไปที่พวกเขาอีกแต่ลําพังพี่านั้นครับคําว่าบอลโล ก็แปลว่าติดตามคำว่าเป l นโลก็คือเป็นเกลอือเป็นสหายพี่น้องครับในพระเจ้าระเจ้าตอนนี้พูดถึงการเลี้ยงคนห้าพันคนถือว่าเป็นงานเลี้ยงหรือแบนควตที่ยิ่งใหญ่มากถ้าเราพิจารณาดูงานเลี้ยงแบบนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในพระคัมภีร์นั้นได้บันทึกถึงสองครั้งก็คือเลี้ยงห้าพันคนครั้งหนึ่งแลวก็เลี้ยงสี่พันคนอีกครั้งหนึ่งแต่ผู้ที่จัดเลี้ยงนะครับก็คือ องพระเยซูคริสต์ผู้ที่เป็นออร์แกไนเซอร์ก็คือบรรดาเหล่าสาวกของพระองค์แต่ผู้ที่จัดการให้เกิดอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับหรือผู้ที่เป็นเจ้าของอาหารนี้ก็เป็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งครับยอนผู้บันทึกพระกิตติคุณนั้นไม่ได้ใช้รูปแบบเดียวกันในการบันทึกจีวประวัติของพระเยซูเหมือนมัทธิวมาระโกลูกาเราเห็นนะครับว่ายอนที่ชอบที่จะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการทำ สนทนาเป็นส่วนตัวระหว่างพระเยซูกับบุคคลต่างๆถามว่าทำไมยอนถึงเขียนได้เพราะว่ายอนเป็นสาวกวงในของพระเยซูยกตัวอย่างเช่นคําพูดที่พระเยซูพูดกับหญิงชาวสมาเรียที่บ่อนา้ำหรือคําพูดของพระเยซูกับนิโคเดมัสเห็นไหมครับว่ายอนนั้นอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเพราะฉะนั้นยอนจึงสามารถที่จะเขียนคําสนทนาระหว่างพระเยซูซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของพระเยซูกับบุคคลต่างๆได้ ยอนสนใจที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใดคือทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตทรงเป็นความสว่างของโลกทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีทรงเป็นผู้ให้เป็นขึ้นมาและมีชีวิตยอนเลือกที่จะบันทึกการอาศัศจรรย์ น, นะครับเพียงอย่างเดียวก็คือการอาศัศจรรย์ที่เราจะอ่านพบในพระธรรมยอนบทที่หกที่เราได้อ่านไปแล้วพี่น้องครับ เราคงจําได้นะครับว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกพยายามที่จะแยกตัวมาอยู่สันโดษในถิ่นทุรกันดารเพื่อได้อยู่ตามลาพังพักผ่อนและสั่งสอนณอีกด้านหนึ่งของทะเลสาบกแล้วฝ้ากับคาเปอนาอุมตรงกับเหล่าสาวกต้องการจะละจากประชาชนเป็นอย่ามากเพียงชั่วขณะหนึ่งเหล่าสาวกอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากหลังจากที่ออกไปเทศนาสั่งสอนพระเยซูก็ตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงไปจากพรมแดนต่างๆที่เฮโรดปกครองอยู่เพราะพระองค์ทราบว่าเฮโรดกําลังแสวงหาที่จะพบพระองค์อยู่ ลูกาบันทึกนะครับว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกมาถึงเมืองเบตไซดาพี่น้องครับเบตไซดานี้ชื่อเต็มก็คือเบตไซดาจูเลียสซึ่งมีฟิลิปผู้เป็นเจ้าเมืองครับฟิลิปนี้ได้เพิ่มชื่อที่สองเข้ากับชื่อเมืองนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทีดาของจกกักรพรรดิออกัสตัสแห่งลมเราจะพบที่ตั้งของเมืองนี้ได้จากแผนที่ในบทนําครับพี่น้องครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลแกลิลีห่างไป 1.6 กิโลเมตรนะครับพระเยซูข้ามทะเลใหม่ฝากนึงเพื่อจะหาที่สงบมราระโกบันทึกในข้อ33นะครับว่าประชาชนหมู่ใหญ่เห็นพระเยซูกับเหล่าสาวกออกไปพวกเขาก็วิ่งออกไปล่วงหน้าและมาถึงก่อนพระองค์กับเหล่าสาวกพระเยซูมีท่าทียังไงครับพ ร, พระเยซูมีท่าทีในมราระโกบทที่6ข้อที่ 33-34 บอกว่า พระเยซูทรงสงสารพวกเขาเพราะเขานั้นเป็นเหมืองสงแกะไม่มีผู้เลี้ยงลูการบันทึกยังครับลูการบันทึกว่าพระเยซูทรงต้อนรับพวกเขาพระเยซูไม่ได้ขับไล่สายส่งหรือเสือกใสไล่ส่งประชาชนครับเพียงครับจากตรงนี้นี่เองเมื่อเราได้เรียนรู้พระวจะนะพระเจ้าตอนนี้หลายๆครั้งนะครับเราก็เหนื่อยหลายท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหลายท่านอาสาสมัครเป็นผู้ที่มารับใช้พระเจ้าหลายท่านนะครับ คงจะเหนื่อยเหมือนกับผมพี่น้องครับเวลาที่เราเหนื่อยเราอาจจะผลักใสคนอื่นออกไปแต่พี่น้องครับขอให้เราที่จะกลับใจใหม่เรียนแบบพระเยซูนะครับว่าพระเยซูไม่ได้ส่งผลักใสขับไล่ใส่ส่งพระเยซูก็เริ่มต้นสั่งสอนพวกเขาหลายสิ่งหลายประการพระเยซูก็ส่งอธิบายให้พวกเขาทราบถึงแผ่นดินของพระเจ้าคนที่มาคนที่มีความเจ็บแค้ได้ป่วยพระเยซูก็ทรงรักษา คามเจ็บไข้ได้ป่วยของเขายอนบันทึกว่าพระเยซู ก, กับเหล่าสาวกนั้นขึ้นไปยังภูเขาครับและขณะที่ใกล้จะถึงเทศกาลปัสกาตอนนั้นเป็นช่วงเดือนเมษายนครับมีแต่ยอนเท่านั้นที่ให้รายละเอียดสองข้อนี้ว่าเย็นมากแล้วและเหล่าสาวกอยากให้พระเยซูปล่อยพวกประชาชนออกไปเพื่อพวกเขาจะได้ไปหามือเย็นรับประทานพี่น้องครับลูกาก็เสริมอีกครับว่า ประชาชนเหล่านี้ก็จำเป็นที่จะต้องหาที่สำหรับพักแรมด้วยย้อนให้รายละเอียดมากนะครับย้อนบันทึกคำสนทนาระหว่างพระเยซูกับฟลิปซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสองอัครส า, าวกพระเยซูถามฟลิปว่าทำอย่างไรเราจึงจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้พระเยซูถามคนที่ฟอลโล่พระองค์นะครับว่าทำยังไงนะครับ บ้านเกิดเมืองนอนของฟิลิปก็คือเมืองเบตไซดาจูเลียสนี่แหละครับพี่น้องครับฉะนั้นจึงเหมาะที่เขาจะต้องเป็นผู้ที่ถูกถามครับอย่างนั้นก็ตามเข้าในข้อที่หกระบุว่าพระเยซูตรัสถามฟิลิปเพื่อจะลองใจเขาฟงทรงทราบแล้วครับว่าพระองค์จะทรงกระทําอะไรพี่น้องครับฟิลิปค่อควรคําถามในและตอบในข้อที่เจ็บอกว่าสองร้อยเหรียญเดนาริอันก็ไม่พอซื้ออาหารให้เขากินกันคนเล็กคนน้อยพี่น้องรู้ไหมครับว่า 200เหรียญเดนารนเทียบกับเงินค่าจ้างคนงานเป็นเวลาถึงแปะเดือนเห็นได้ชัดนะครับว่าฟิลิปไม่ได้คาดหมายว่าจะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นแต่เขาก็รู้ดีว่าที่นั่นไม่มีใครมีเงินมากมายขนาดนั้นถึงจะเลี้ยงและซื้ออาหารให้พวกเขากินในคณะเดียวกันกับแอนดรูน้องชายของซีมอนเปรโตก็มาทูลพงที่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมบารีห้าก้อนกับปลาสองตัวแต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากมายอย่างนี้ เราเขียนว้ว่ามีคนที่เป็นฟ o l โล w นะครับคือคนติดตามพระไอ้สุ่ ย, ยคนหนึ่งก็คือเด็กเด็กคนนี้มีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวซึ่งทำจากข้าวแป้งข้าวบาเลสสำหรับคนที่ไม่ร่ำรวยนะครับเขาจะเขาจะต้องทำขนมปังกินเองเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยเป็นไปได้ครับว่าแม่ของเขานั้นได้เตรียมอาหารกลางวันให้กับเขา หรืออาจจะเป็นอาหารสําหรับมื้อกลางวันและมื้อเย็นด้วยครับก็เป็นปลากับขนมปังปลานั้นคงจะเป็นปลาลมควันครับหรือไม่งก็ปลาหมักเกลือนะครับในพระธรามมกัวบทที่หกก็สามสิบเก้าถึงสี่สิบได้บันทึกว่าประชาชนได้นั่งรวมกันเป็นหมู่หมู่หมู่ละร้อยคนบ้างห้าสิบบ้างไม่สงสัยนะครับว่าวันนั้นมีประชาชนแน่นขนาดไปทีเดียวเฉพาะผู้ชายนั้นก็มีถึงห้าพันคนนั่งอยู่นะครับในภูเขา ภูเขานี้เป็นเหมือนกับอัตจัรย์ครับที่จะมาคอยฟังพระเยซูนะครับเป็นเนินเขาถ้าว่าพี่น้องได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมดินแดนงพันธสัญญาพี่น้องก็จะรู้นะครับว่าสถานที่ที่พระเยซูได้เลี้ยงคนห้าพันคนนะครับอยู่ในบริเวณที่เป็นเหมือนกับมีเนินเขาและเป็นแอ่งครับคล้ายๆกับอัตจรรันทร์และการอธิษฐาน นะครับหรือแม้กระทั่งการเทศนาบนภูเขาก็อยู่ในภูเขาและแหวกนีครับพี่น้องครับหลังจากที่พระเยซูรับขนมปังมาอธิษฐานขอบพระคุณแล้วหักแบ่งให้กับเหล่าสาวกปรากฏว่าทุกคนกินอิ่มครับทุกคนกินอิ่มนี่เป็นความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากคนที่วันโลก็คือติดตามพระเยซูเมื่อพระเยซูตสั่งเหล่าสาวกให้เก็บอาหารที่เหลือ น้องครับได้ถึงกี่กระบุงครับได้สิบสองกระบุงเต็มน้องครับเราประชาชนมีปฏิยาเกิดขึ้นอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือเขาคิดว่าพระเยซูเป็นผู้เผยพระชนะอย่างที่สองก็คือพระองค์ต้องการให้ให้พระองค์เป็นกษัตริย์ครับพวกเขาต้องการให้พระองค์เป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมอยากจะยกประเด็นว่า เด็กเล็กๆคนนี้นะครับเป็นเฟโลจากฟอลโล่กลายเป็นเฟลโลเพราะอะไรครับเพราะเขายอมมอบยอมมอบอนาคตของเขาอนาคตเขานะครับก็คืออยู่ในขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวให้อยู่ในมือของพระเยซูยอมมอบความอิ่มท้องของเขาให้อยู่ในมือของพระเยซูยอมมอบ ทุกสิ่งที่เขามีอยู่ให้อยู่ในมือของพระเยซูเพียงครับเราจะเห็นนะครับว่าใครก็ตามที่ยอมมอบชีวิตให้อยู่ในมือของพระเยซูชีวิตเขาจะทวีคูณครับเขาจะเลี้ยงคนได้มากเขาจะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้าเขาจะเป็นคนที่ขยายแผ่นดินของพระเจ้าจาก f o l l o w นะครับ follower ก็คือผู้ทิ่ตามการมาเป็น follower ตามคําที่พระเยซูได้บอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าเป็นบ่าวอีกแต่เราจะเรียกท่านทั้งหลายว่าเป็นสหายนะครับถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูก็ขอให้เราไม่หยุดอยู่ตรง f o ลโล่ขอให้เราไปถึงเป็นเฟลโล่ครับเฟลโล่ fellow คือเกลอเ็นโล่แปลว่าสหายนะครับก่อนจะจบนะครับผมอยากจะบอกกับ พี่น้องว่าในวิชาชีพแพทย์นี้ถ้าใครที่เป็นเฟลโลนะครับแสดงว่าเขาได้รับการยอมรับนับถือจากวิชาชีพนะครับในสายเฉพาะทางพี่น้องครับใครที่เป็นเฟลโลถือว่าเข้ามาถึงจุดสูงสุดของวิชาชีพของเขาแล้วขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเป็นคริสเตียนแบบเฟลโลครับไม่เป็นแค่ฟอลโลอย่างเดียว แต่จะเป็นเกลอเป็นสหายขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระเจ้าพ่อวัดไทยอาเมน